พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกต้องอวดปลาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษณุณีหลายรูปจบ